สี่รากเง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงวงเล็บเปิดยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้า้อสี่สิบเก้าจุดจุดนาทียี่สิบห้าวงเล็บปิดจิตมันดิ้นหนีทุกขมันดิ้นหาความสุขมันถึงต้องทํางานถ้าเมื่อไหรมันไม่ดิ้นหนีทุกไม่ดิ้นหาความสุขมันก็ไม่ต้องทํางานทีนี้ทําไมมันถึงต้องดิ้นหนีทุกหาความสุขเพราะมันสําคัญมั่นหมายว่ามันคือตัวเรา ฉะนั้นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาไปยึดถือว่าเป็นตัวเราขึ้นมาก็อยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ก็พามันดิ้นไปเรื่อยยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่ ง, ง, งทุกข์ก็ยิ่ ง, งดิ้นนะสัตว์ในโลกข้องอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่ ง, ง, งดิ้นส่วนมากก็เดิ้นไปหาความสุขทางโลกๆตอบสนองกิเลส แ, แล้วรู้สึกมีความสุข แต่พอได้มานะก็ไม่สะใจอีกต้องดิ้นอีกหรือพวกเข้าวัดฝึกทำความสงบนี่เพื่อตอบสนองกิเลสตัวนี้แหละเพื่อเราจะได้มีความสุขอุตสาเข้าวัดภาวนาก็เพื่อให้เรามีความสุขไม่สามารถละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ไม่สามารถละความยึดถือในตัวจิตได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นแค่ลูบๆคลำๆไปเรื่อยแหละไม่เข้าเป้าเสทีทําไม่เข้ามาที่จิตนะไม่ได้เป้าหรอกหลวงปู่เทศถึงขนาดสอนนะว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าภาวนาถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดถ้าภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนะรู้ไม่เท่าทาันจิตใจของตัวเองยังอยู่ผิวๆนะเปลือกๆ ป, ปฏิบัติลูบๆคลำๆไปเรื่อยแหละเช่นทำอย่างไรจิตจะสงบวันนี้ทำสงบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุ้งอีกมาทาอีกลืมนึกไปว่าทาไมต้องให้จิตสงบเพราะรักตัวเองนั่นแหละ เพราะยึดถือว่าจิตคือตัวเราอยากให้มันดีนี่เป็นวิธีของคนดีวิธีของคนชั่วก็วิ่งหาอารมณ์ภายนอกวิธีของคนดีก็คือสํารวมจิตสํารวมใจเข้ามาส่วนวิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะหันมาเรียนรู้จิตใจตนเองรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจเพื่อกายออกไปแล้วก็มาถึงจิตถึงใจบางคนดูเข้ามาที่จิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตวันหนึ่งหรือบ้านออกไปนะเห็นเจ้าของบ้าน พอมาเห็นถึงตัวจิตตัวใจรู้เลยโอ้ตัวนี้เองดิ้นรนแส่สายหาความทุกขตลอดเวลาทําไมดิ้นรนแส่สายหาความทุกขมาใส่ตัวเองก็มันอยากมีความสุขนะแต่มันอยากมีความสุขด้วยวิธีโงๆ่ๆตะเกียกตะกายหาความสุขเข้าไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้ามาดูจนเห็นความจริงเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราต้องดูเข้ามาตรงนี้ถึงจะตัดการดิ้นรนนี้ให้ขาดออกไปได้ มิฉนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยตลอดเวลา